บุกทูยี่สิบแปดดูเด็กออกในโรงแรมการร้องเรียนและฮอเตลเพลนดอยฝักบัวใช้งานไม่ได้ลาดูเชียโยเนฟองซิอสไม่มีน้ำอุ่น คุณมาซ่อมมันได้ไหมคะชูบิพาวัสริพารีกิจินในห้องไม่มีโทรศัพท์ในห้องไม่มีโทรทัศน์ในห้องไม่มี la ร a m ศ r ์ห้องไม่มีระเบียงห้องไม a มีระเบียง ห้องนี้เสียงดังเกินไปห้องนี้เล็กเกินไปห้องนี้มืดเกินไปเครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานโทรทัศน์ไม่ทำงานดิฉันไม่ชอบเลยมันแพงเกินไป คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมคะชูบิฮาวาเซียนมัลปริมูเตคอสตันที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่ स स no? มีไหมคะชุโปรซิเมเอสเตสยูนูลาร์กาสเตียมีเบดแอนด์เบรดฟาสใกล้ที่นี่มีไหมคะชุโปรซิเมเอสเตสเพนซิโอเนมีร้านอาหารใกล้ที่นี่มีไหมคะ Su proxime es esta s restauracio.